มาเย่บานเตพกเาโอ้แกผงมันเลยละบวมหนามเลเพิ่งหนาเพิ่งาแพงาย่อกนะ นั่งหนีมูลบอกมูรหลอยเดีมาเดาไงนัง <c oughs> ขึ้ไปนั่งอีกนาท่านว่าอปัวบอกว่าไ่ได้สาำท้างด้ท่นี่พวเฮ็ดหลายปวดไม่าแต่บพอ่อ้ย่อจังด๋แต่คือเมืองไทยอะไไห ม, ไมเฮ็กิโลมันได้บาปิ มันฆ่าผัวบอกว่ามันเป็นบาปมสาดถ้าเขาแนวดอกไม้พระสันแนวดอกช่วยพระถาจิเลศให้ก็พระโอบจิเลศให้พระอันตด <c oughs> เสกระยาขึ้นเลนี่ะตอนนี้รกินไม่มีสติไ่มีปัญญาดอนเรื่องปากเรื่อกพระอ้วนบะงามไม่ต้องหมูอ้วนเขาได้ขายสิน ขึนมาถุนในพระอ้วนคนอ้วนคุณหน้าปฏิบัติทำให้มันผอมมีสติจึงมีปัญญาผอมแล้วยังบ้ได้ยังอวดอย่างนีก็มันตัวเพื่อให้มีสติปัญญาเพื่อให้มีความเพียรคนในโลกมันจะถุนถุนถุนถุนถุนกินถิมกินเสียสร้างมาเต็มถ้วยเต็มจานกินน้อยๆแท้ถิมเรื่พึ่งเพื่อยู่บน วันหนึงปัญญาน่ยอันกันจินกันกงกันบุญเวยบุญไหวเอาลัดเอาเปียบจีต้มจีตัวหลอกล่วงปีนป้อนกันดูจนถึงเบื้อหนายแล้นันก็ยังอยากจูดูหลอกนี่ถึงเบื้อหนายยังได้ทะเราดเป็นไปพวมเบื่อหน่ายก็มายอมใจจนต่อมันคิดถหงมันอ่านเบื้อนายจัหันด อ, อกไป อันหมักถูกหมักมกักละลอกหมักมนกัมกมนรกเอาลงไปคุกขีลงไป <c oughs> ก็มันระลอกก็หมุนได้หมนละลกโล ก, ะโลกนี่มั ก, กวเมือม่อเมืมืดอขอก้ำสัตว์โลกก็เ ม, ม้ามมออเมอมืดอบอดเพาะเมามื่อบอดถงพมาะนหน้าเขา <c oughs> เข่เขาเข็นเขา่าเข่าเข็นเข่านั่งกำหนดเข่าจะให้มันปุง่งเปนแตงไปเรื่องนั่นเรื่องนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่หาตะควมยงเขาไส้จะของกันตัวไปตัน้นองนนมักยงมักยงยงบ่พ่าเอาหมามาเลี้ยงมันยงเข้าไปอีกฟ้องร้องกันหาตกน้ำยุบประเทศให้ฟ้องร้องกันเอาเรื่องเป็นเล่ากันด้วนตัว <c oughs> หมูวต่ขาอยู่ขากินห้องเงยจบเห็นว่าเป็นอยงหมาันไปตีห้องยงั่งยง น, นยปั๊บแล้วว่าหมากัด้นก็ไปปั๊บ้นไปน่ปัป <c oughs> ปป๊บหมาดีนั่นสง้นหมาได้เป็นตัๆๆวเยบเห็นเห็นก้อนบนใบ่บบโลกนี่ ไมเตียงแก่ในนอนยังเปลี่ยนแปลงไปยังเปลี่ยนแปลงไปแหลมไปแหลมไปกมมดประพฤ่าศาสนามีาวศาสนาก็การกันแล้วไปไปบัตรอิมาลาปฏิบุริกว่าหลวงปู่ก็บ่กเอาจากอาหารจากปีพวกผมบรบประเป็นติผิดพระวินัยขอได้ไห ก็ผิดแล้วก็เสไปหอาไปยังก็รอวันดิมก็ยังสียดปแล้ววันดิมกินแต่มืไทยกินโลนกินเหลือแท่หหมากินกระโปงม็ดวันดิมไม่หมาจแท่เห็นเีตั้ง่นที่กิเหลือกน้นๆกอาหารด้วยกินว่งเมดแล้วแล้วก็นบัสเราส้เติมเติ เงินแหละถ้าว่าหลวงปู่ซาเป็นแพทย์นงเสียบวบบัด <c oughs> ท, ทองบัดทองบัดนี้เรามีแพทย์แตกต่างจากกะเลหัดแต้วบัดถึกว่าบวคือกระเลือหัดเลยเสียมันว่าหนาวตัว <c oughs> นบวามันก็ว่าหนาวดิใจเฮงว่หนาวเปลี่ยนตับนั่งกายก็ยังขึ้นเข่าเนี่ยแต่บวมีใจมึงโดนี่เขา่าลงไปกีลงไปม่ นี่คือกานยำเข้าไปจไปว่าแม่หนาวนั่งเข้าไปจะไปเบิ้งแม่นาวเบิง้งรมเกาเบิงอมพลตุ้มผดีๆเอาหนาวก็ตายซะสตัวมึงหนาวได้มึงตายซะก็ไดเจ้าของได้ไปมันไปยองเ ม, มันดีแล้วได้ดีแล้วแล้ ว, ลว <c oughs> เพี้ยนเด็ดเพี้ยนทำเพียเพ้ยนเด็ดเพี้ยนทำ น, น่ถึงกว่าข้าของพวเจ้า <c oughs> อยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะดูได้จะรู้ได้เน่ยเห็นว่าจะ ว, ว่าจะของรรเป็นคนธรรมด า, าเพระอันนีมันเป็นคนธรรมดาไปยังว่เพชรในเหนือโลกเ น, นี่ยสัตวนึกจะเอาหนังสือมาเขียนติดไปเอาทีคนเหนือโลกคนเหนือโลกว่าสัตว์ทีต้องใจไว้เหนือโลกมันจะว่าแบบเป็นคนเป็นยูคของโลกกันคิปไลายระการไร้ ก่คิดหลายเอาหน่อยๆก็มันแทนก็เบื่อแล้วตัวลารวยสวยงามสองโตนั่นสองค่ำนั่นนันก็วนไปยุ่นี่วัดตะวันวนไปตื่น้ตำลยไม่แล้วก็อยากสวยงามนั่นวัตตะวนบนน่วนเกิดวนแจ่วนเจ็บวนตายตัวเอาควันเทิดแต่ควนเราหมดไ ตาปลูกอาเวเนโมโตตาสันตาบาวะเตโตตาบเว มายังมาแล้วค่ะนนีหนักมากมากมาบวกก้อนกันก็เล่เดี๋ยว่งเดี๋ดมป์นงน้ากกัแสตม่้อล่ะไม่วมไม่ควกั้นปกติล้มปูบอกว่าฉันเสร็จแล้วเขาที่ได้นี่ก็พวกนี่ก็ม่าเรืองนั่งเรืองนี้จ่บเจ้าเนี่ ย่มไม่อยากมาวัดย่มไม่อยากมาวัดหลวงพ่อไปบ้านเพราะฉะนั้นจึงไม่หยุดในบ้างเพราะว่าหลวงปู่เทียงไปบ้านเทียงไปบ้านหลวงปู่เทียงไปบ้านเพราะว่าเวลามาเรากับแฟนไม่มาแฟนไม่มาห่วยเดี๋ยวหลวงปู่ไปหาก็ไรตัวจะได้เจอแฟนเดี๋ยวไปลูกหานันหาหนหลวงปู่เป็นมาเอานี่หลวงปู่มาหาย หาคนมาตัไว้ลุงปู่ยังงีนี่เบามาให้น้ำน้ำนี่มาก่าให้ทำเดี๋ยวนี่แพงเขาดีใจทุกบ้านล่ะเพราะว่าเอาไปแฝงฟ้อมดิแฝฟ้อมพูดจะสองสามคำแปลฟ้อมแลฟ้อมแฝงฟ้อมเอาใจไม่ได้พูดอะไรเราพูดแต่เรื่องอาหารกายกับอาหารใจ ไม่แมวบอกว่าให้มาตัวเปล่าขนของมาหลวงพ่อจุ้งหอล่าต้องให้พระลาบากกว่ามาทำบุญเข้าใจไหล่ะเหมืนแต่เรื่องหนักๆนั่นเดี๋ยวนี้พระขี้เกียจหมดแล้วนะทุกวันนี้พระขี้เกียจแล้วกว้างงามจินมได้เป็นขี้เกียจไหมล่ะ บนอยู่ดินอยู่ท่า่อยู่ทางไี่สิบห้าเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องิ้ขาเดี๋ยวจะหิวท่านคนแก้วคนบาทนะท่านก้นบาทอู่กันทางหลังนี้ก็เอามาเดี๋ยวแย่ทำไมไม่เอาเบาๆก้นเขานี่ฮะคนเขามาเบาเราตํานักหนักมา นี่หลวงพระแม่ลาบาพระก็ไม่ได้ชื่อพระก็ไม่ได้จับพระุเจ้าห้ามน ะ, นะเ่านีแหละเดี๋ยวค่อยถือไปกินตำท า, อาไไนอยู่คนกล้ไหมล่ะอยู่ ใ, ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะลุงปู่ไปบ้านหรือยังยังครับนี่ทาไมไม่ปนล่ะ <laughs> ทาไมไม่มุนละ่ะเรลงปู่ถามไปหาไปบ้านติ เห็นสมเด็จองค์เห็นสมเด็จองค์ก่อนหลวงปู่ไปอยู่เอ้าฟังหลวงปู่ว่าคนหกระโยม็คให้ว่ช่วยส่งผัวหลวงปู่องค์ก่อนสมเด็จองค์ก่อนน้นสี่ห้าคงไปหลวงปู่ไปส่งหลวงปู่ไปอยู่สมมสมมมันพวกที่ไอ้นาอิสลามนีย ไปร่าไปมินตบบาทไราด้ดขอนมกบป้ายลูกขาแนเ<ช>ดออ์บอกิค่ะเพื่อเพือพ่อว่าให้ให้เขาคุ้นเคยไว้ละพระมาเขาจะได้บอกแม่มาพระมาแล้วพระมาแล้วนะเลือกกันพ่อไปบ้านแต่พ่อึ้นขเขามีศรัทธามุ่นไปบ้านกลับไปบ้านแต่เขาเนียนี่กันซือกันนลแล้วเขาก็ยังมากเขายากนาดยากนี่ถามไปบ้านหรือก็บั มลกงไปเอาดไปให้นนว่านว่ามาให้ผู้ให้ต้องสูงกว่าผู้รับดิแล้วส่บาทกดสูงกว่าผู้รับด้ผู้รับเมื่อจ่ตตั้ดิความให้นั่นเห็นว่าให้ทำเป็นทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งควงมันเข้าม <c oughs> าว่าทําบุญท่าเอาธรรมะละเอียดมาแปลมาทําบาปทำให้พระขี้เกียจ พระพุทธเจ้าสอนให้พระผีสง่์งงน้ําต้องไปกองอามตะฉันเองอตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าอยากจะนําปัจจัยของใช้ที่ที่พระสงฆ์ที่จะไปใช้อะไรนี่ผู้ถถูกต้องครับนี่พูดถึงคําถูกต้อ ง, อ น, ง, องนะไม่ให้พระสงฆ์ใสแตเ่เดี๋ยวนี้พระก็ชอบใส่ย่ำนะเพราะท่านชาติยมจะเอาใส่ซองหลวงปู่ไม่เอาใส่ซองไปภาวณาถ้าแต่ซองพระเกิดจิเล็ด คนไหนว่าฉันโยมโยมหลวงพ่อว่าได้ถือเงินเราถือซองว่ะทีอะไรอะไรอยู่ในซองเงินนั่นเข้าใจไหมความลับไปมีในโลกไม่มีในไม่มีปัจจัยหรือมีอมีครับนี่แหละเขาเอามาเป็นแต่ซองเฉยปัจจัยของเอาให้หยาบโยมไิยาวจกรอยู่ในนี่ถ้าให้ถูกต้อง อันนี้เสียงบประมาณค่าซื้อมาอีกนั่นซองใบประวณหนค่ะโบห็นโหนคนหนยเรยเอาองใส่เมื่อไหร่ใสนึ่งผมงงนีมันมีคำพูดอยู่ในนี่หมดะเดียวทต้องเรียกร้องจับไว้เจ้าตะกอนเราเสียมาแกงย้อนได้ไหล่ะเสียมาแกงย้อยั่งบ่ ข้อมาอีกอยู่ไหนบอกรายเเห็นไะเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนกรุงเทพครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ยี่สกว่าปีแล้วครับแล้วก็ทำพวกร้านอาหารแล้วไปดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องเขาก็น้องน้องเขาก็บอกว่าจะมากบ หลวงปู่ก็เลยก็เลยเป็นวาสนาได้ได้ได้มาพบครับเจ้าของร้านอาหรพีมนไม่ลิดลำบากครับไม่ทราบพระหลวงปู่พอจะมีเวลาว่างครับช่วงอาทิตย์อาทิตย์นี้อะไรวันไหนว่างจะจะได้เตรียมจะเตรียมไม่รู้ต้องดูก่อนให้พมาดูก่อนกบ่ายก็ได้หรอบ่ายวันอาทิตย์ก็ได้หรอ ตอนเช้ามันหมดแต่ปกติไปเฉพาตอนเช้าบ่ายวันอาทิตย์ดีเลยวันหยุตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันีผมตั้งใจจะกลับเมืองไทยกันวันจันทร์ถ้าได้ขึ้นบนี่ลุงปูก็จะทิ้ก็จะกลับวันจะกลับแล้วแหรอครับวันที่20 20 20วันอาทิตย์20 2ิ มันอยู่ตั้ง4เดือนแล้วนะค่ะอ๋อนี่สี่ปอนด์หรอปุ่บเดืองไทยมีสาขาตั้ง100กว่าเกือบสองอยท่านยังติดเลยห้าคนมากัน5คนครับหลวงปู่ท่านยังเมตตามาอยู่ให้แล้วโอกาสทองได้นี่ค่ะเจอมัน เร่จร่วมกัน้ชอบของขาอง้ก็ได้ขอถูกหวมที่ขอเลยขอเลยค่ะอยู่ได้ี่สปีกว่าปีแล้วคของป้ามออปมาอามาขนมปูใช่เกือบป้าประจําภาษาชอบไหมครับป้าก็ทิ้งทิความวุ่นวายที่เมืองไทยมาอยู่ที่นี่จะมาช่วงนี้อากาศจะดีหน่อยค่ะ นี S <S ่มานกี <S <S 1> <S 1> ่ครั้งแล้วผมครั้งแรกครับครั้งแรกโอ้สาีห้าหกครั้งแล้วนะเป็คนหนึ่สามเป็นคนหนึ่งห้านี่เป็นปุกง่ดิใช่ใช่เป็นถูกแก้โพ่ถูกแกมากใช่ไห แม mm. วนไหนผมอยู่แถวกรุงเทพนี่อยู่แถวสยามสยามครับในแเจริญผลที่มีสนามกีฬาแห่งชาติเจริญผลเจริญผลเจริญผลวันอันนั้นอวงปอวันถึงขุ่นบู่แต่แก่ใหญ่ย uh, so ุ่ยจับ อ๋อคนจีนปลาคุตาจิ๋วแต่จิวจวจ๋วนะมันม า, มากไหมตัวพูดเดื่อโลูกเกยอะครับลกกปโลูกเยอะก็ยมครับกเด็กจ้างเด็กนักเรียน ถือสินแปดจ้งเด็กนั่งเรียนถือสินแปดตั้งแต่สิบปีขึ้นไปอทําไมครับบอกว่าใครจะรับทําได้ถือสินแปดถึงกับเรียนจบหลวงปู่จะออกคุ้มค่าเพิ่มให้ตลอดเรียนจบที่แรกก็มาสองสาคนลูกหลังก็คิดเพราะพ่อแม่เขาพาตําสินเขาก็อืทําอยู่บ่อยๆพอได้ยินนี้เขาก็มาสมัคร ลูกหลานลูกหลานสมัคร ก, ก็ทํำไรเห็นคนนั้นทําได้คนก็จะทําคนนี้อยากท ำ, ไ, กทำไปมาหลวงป้าไม่คิดว่าจะมีถึงร้อยกลับไปเมืองไทยเมื่อกี้นี่ก็ว่าเก้ <94 S 2> าิบสี่คนแล้วเกสคนเลยคิ่าจะปีหนึ่งบรรลุเท่าไหร่นะอจริงๆกเเ็เป็นเหมือนกับ <พอ S 1> เป็นคสั่งสอนที่ว่าคนจะต้องทําอะไรโดยโดยไปทางอ้อมครับเอาคํำของกูเจ้าบอกว่าฝึกญาติโยมให้ รู้จักบาปบุญถือศีลห้าได้คนหนึ่งมีอันดับ <c oughs> สองมากครับ <c oughs> ถือศีลแปดก็ยิ่งอันดับสองมากครับได้บวชก็ยิ่งอันดับสองมากอันนี้ก็โดยเฉพาะนักเรียนครับ <c oughs> ถ้าเขาได้จบได้เป็นครูบาอาจารย์แล้ว <c oughs> อยากให้เน้นวัฒนธรรมเชาพุทธ <c oughs> เดี๋ยวนี้วัตนธรรมชาพุทธ <c oughs> เขาตั้งขึ้นมาเฉยๆเขาไม่รู้จักฝากตัวเจ้าทําอะไรครับเพราะนั้นจิตแตกรรมทางพระศาสนาเวลาแหนากเวลาบวชนาคสมัยเอา กองไปแห่ไปตีนั่นมันไม่ใช่พิธีกรรมของพระเจ้าครับหลวงปู่เหมือนกับว่าสร้างรากฐานเพราะว่า<ม>เหมือนกับต้นไม้ต้นเล็กๆ เ, เนี่ยอ<ม>ืมมันจะเริญเติบโตไปนะโคตก็จะมีพื้นฐานนี้อยู่ก็จุดนี้เพราะอะไเนี่ยที่ไหนหลวงปู่เพื่อไปตั้มเนี่ยว่าเอาดอกไม้ทุกเทียนมามันเป็นจุดพิธีนิของญาติโยมเขาจะหลงครับเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงไม่ให้ทํามาที่นี่ไม่เอาดอกไม้ทุกเทียนมา เราไม่ทุบเทียนใช้นิ้วมือผูอเจ้าสอนน่ะนิ้วมือห้าขูดต่เงาไม่ทุบเทียนคเวลากลับก็บถือกลับความประเทศไทยไปใส่แกะ ก, ก, กันไว้ดอกปัวใส่แกกันไว้ขํามาเย็นมาสองสามวันเหม็นคุ่งขึ้นมายุ่งไปไข่ใส่ออืไปตอบคนอีกในบุญหรืบาปเหรอในบาปเพราะนั้นเวลาสอนลูกหลานเวลาเขาได้ออกจบไปแล้วจ๊ะโจกะโจ๊อย่างอย่างร้อยคน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องไล่สองสาคนเป็นอาใหญ่นะถ้าเป็นใหญ่ล้วก็บอกเขาเป็นหัวหน้าออกยักพิธีกรรมทางวัสนาสอนต่อๆไปโดยเฉพาะพระในเมืองไทยกี่รูปพิดรูว้วัดก<ม>ีวัดจะสอนโยมไปทำบุญโยมมาอะไรถวายสังฆทาน<ม>เชิญจุดธูปจุดเที ย, ทยนเชิญถวายสังฆทาน<ม>เชิญตรวจน้าไปลองดูสิบวัด แต่ว่ทำบุญหายาทำบุญอาหารใจที่ย่ำจดยมทุกวั น, นเรื่องอาหารใจกัายกับอาหารใจเรื่องกายกับใจกายไม่ใช่ของเราของพ่อของแม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายครับใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบัณหนึ่งให้อาหารใจตลอดแต่ไม่ดูอาหารใจคือลมเห็นลมเห็นบุญเห็นสวนรรค์เห็นใจใจพาไปสวรรค์ น, นิพพานร่างกายเผาทิ้ง พอแม่ผู่เจ้าจะย้ายไปแนว่วไปหมดแล้วเอาอะไรไปด้วยผมเส้นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้รก<ำ>รรมพาไปที่นี่แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรไกลกรรมอะไรล่ะแต่งผมแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังครับขนตาดีๆเขียนไหมขี้ดีๆเขียน <laughs> ตากดีๆแต่งไหมจมูกดีๆทําไหมทําให้มันคนก็เชื่อเรื่องหนูหงหนูเฮงอะไรไปซึ่งจริงๆมันทุกอย่างมันอยู่ที่อาจาสอนไปแล้วมก็คือไม่มีอะไร นี่ท้อพุดจุดนี้จริงมันน่ไม่น่าอยู่ประเทศไทยก็เพราะคดโกงกันเยอะถ้ามีสติปัญญาแล้วไม่กล้าคดโกงกันตัวเขาตัวเราลักเขาลักเราไปแก้งกกงกันหลอกลวงกันตามจับแต่ละวันแต่ละประเทศออกจากบ้านไปรถชนกันอยู่นี่ม่อยู่นี่สามเดือนไม่เห็นรถชนกันตะคันคดูสิลงฟูมาอังกฤษบ่อยไหมครับ มาที่ยังกินมานะครับน่าาวอยู่มาบวอยู่ปีละครั้งปีนะครับมีก่อนปีแ้วมีวัดที่นี่คนอยู่จำพรรษาปีี่แล้วให้หมู่คณะมาจำแทนก็เลยมาจำปีนี่อีกเพราะว่าได้มาทำโบสปีนี้นี่วนพระร้อยสามสิบลูกมาทำสวดทอดสวดถอนหลวงปู่ทางเข้าผมเห็นป้ายเขียนว่ารักษาใจเนี่ยความหมายจริงๆคืออะไรครับก็เนสอนให้คนรักษาใจ คนรักษาแต่กายกายไม่ใช่ของเรานี่จกให้เข้าใจเรื่องกายกับใจในตัวของเรารักษาใจอยากจะให้รักคักใจบ้างอาหารใจไม่ได้ซื้อดูลมเข้าลมออกแตไ่ไม่ดูหรอกนับแต่เกิดมาเคยดูไหมกคนดูอะไรคะไม่ได้ฟังอีกเคยดูใจไมตั้งแต่เกิดมาดูใจใจตัวเองเป็นยังไงรู้สึก ด, <c oughs> ดูอยู่คะ่ะดูตรงไหน <c oughs> จากลำจารวย อยากสวยอยากงามใช่ ใ, ชใจเอ่อป่าเพื่อได้กิเลสถ้าใจที่แท้จริงลมอาหารใจไม่ได้ซื้อลมใช่ไหมถ้าไม่มีลมใจหนีแล้วแต่ไม่ดูใช่ไหมละ่ะถ้าได้ซื้ออะไรจะสูบซื้อลมไม่ได้เพราะหลับไปแล้วก็ใช่กินอยู่กินตลอดแต่ไม่ดูไม่ดูไม่เห็นไม่ลู้มันเป็นจุดนี้แหะคน ในโลกนี้จึงไม่รู้จักบาปบุญถ้าร네ู้บาปบุญแล้วรู้ใจว่ามีความสุขเรามาทําตัวนี้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาจัศกิจนิ่งนะทุกอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีนะไปดูที่ไหนไม่สงบหลอกกล่อมรวยก็ทุกข์สวยงามก็ทุกข์ร่ำรวยก็นรกสวยงามก็นรกใช่ไหม ใช่ต้องกัน ก, งนนน ก, ง อ, กองดีๆนะไม่ใช่ว่าใท่ตามหลวงปู่นะถ้าใสโลกขนยาคนรวยท่านโลกยียะใช่ไหมสชคโรกยียะโชเพราอร่ำรวยแต่แพรพเดียวถ้าเงินไม่หนีเราก็ห น, นี้จกักเห็นไหมกว่าแม่ปู่จา่าตาใหญ่นี่จักไปแล้วทรัพย์จมบัติผู้สมเจ้าทรัพย์เดียกวกันสวยงามก็เหมือนกันแต่งเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็แก่ก็ตายนะ ความไปเท่าไหร่ก็ม็นอยู่ไม่ได้เราความจริงมันอยู่ไม่นด้แล้วเพราะไม่ใช่ของเรายืมโลกไม่ใช่ของคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คนเดียวไม่ได้ร่างกายมีณพ่อคนเดียวไม่ได้ร่างกายตัวของเราเคือใจประพันตลังจิดตังธรรมชาติใจทุดวงจากเกิดมาเป็นคนต <Yeah. S 1> ิดโฉมนุษย์สาวติลาโพเป็นมนุษย์พรพุทธสัตว์ติดถังพุทธสมุท ป, ประังพระพุทธศาสนาแต่เราไม่เคยดูใจก็เลยไม่รู้ว่าใจของเราเกิดมาอะไรใจทุดวงจากเกิดมาจุดนี้จากมาทํานามกลดีเพื่อ ไม่ต้องมาเกิดอีกโรงพยาบาลที่ไหนรักษาหายแล้วก็คือตายยังตายแต่ของพระเจ้ารักษาแล้วไม่มีเกิดแก่เก็บตายไม่มีนั่นหลวงพ่ออยู่ทําไมล่ะทําไมไม่ออกไปสนุกอยู่โลกๆกกลัวความเกิดเกิดเราเป็นทุกข์ถ้ามันไม่เกิดคนเหมือนเดิมนะถ้าไม่มีศีลไม่ทำคำว่าศาสนาบัดเสื่อมไปเสื่อมไปมันแหลมไปแหลมไปเดี่ยวกึ่งการเดี่ยวเล้ยงวุ่วายอยู่แค่นี้นะ กลางพระศาสนาห้าพันปีนะของผู้เจ้าด้วยนี่ห้าพันขั้วๆล่ะต่อไปอีกยุ่งกว่านี่ถ้าเราเกิดมาท่วงท่วงนั่นเป็นยังไงตกวมือแห้งเป็นแห้งตกวมือกาเป็นกากัดกันกินข้ากันกินหลงพบหลงชาเพราะไม่ดูใจนะถ้าดูใจก็เห็นควเป็นมาเห็นความเป็นอยู่เห็นความเป็นไปของใจของเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเก่าด้วยบุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปนะถ้าที่เราอยู่ด้บาปนะร่ารวยสวยงามนะ่ะ ถ้อยู่เรื่อยบุญก็ตัวจากคนถิ้นวันพระแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันวันหนึ่งหนึ่งนาทีกําหลับก่อนนอนต้องเสียสละงานท่านอื่นเรื่องอย่างอื่นตัดทิ้งถ้าเราไม่นั่งจุดนี้เราไม่ยอมนอนนั่นสัจจะมีสัจจะต่อตอนเองตอนเตือนตอนไม่ได้ถ้าเราจะเตือน ตนนั้นแรงวิธพึ่งของตนต้องเตือนตนเองนะถ้าไม่เตือนตนเองไม่ได้ทําแน่เลต้องครอบงำเอ้ฉันยุ่งฉันทําไม่ได้ฉันยุ่งทําเลยเคยบอกตนญาติโยมนะมาแล้วกลับไปมาเที่ยวหลังเป็นยังไงนั่งสมาที่ดีไหลุงปู่บอกที่ฉันนั่งข้างหนึ่งหนึ่งละวันละหนึ่งนาทียังนั่งไม่ได้เลยน่นเห็นมไหมล่ะุ <laughs> เรื่องอื่นทำได้พระยามาลไม่ให้ทํา ก็ว่ายุ่งเวางานเ่เป็นไม่พอนั่นหละคนเราชอบยุ่งฟังสิคนเราชอบยุงย่งนเมื่อกี้เดูิงยมมจากเรือมันยุ่งว่ว่าือหมาไมายุ่งอีกเห็นอย่ไหลงปู่ักหมาหลายกากเกิดย่กินเตียงเขาหลา ย, ลายทีมาเียงันได้เกิดเป็นแนวนั้น หากหมาเกิดน้หมาหกแมวเกิดต้ำแมวหากก๊อกหม่เ ก, กิดน้า ก, ก๊กใหม่เป็นดวงหากขี้ดินหากไข่หางหน้าเกิดเป็นขี้กระเยน็นเจ้าไมหาไม่เลี่ยงใจดี <c oughs> ถ้าถ้าเรเลี่ยงใจกับคนเราชอบจุงจ่งๆๆจิง จ, ง จ, ง จ, ง จ, งจงุ่งจิงจุ่งพราว่าสื่อมามายุ่งเห็นว่าจะจุงหมาหลังจังหลังแจ้งยังนั้นเหนะมอนน่ะเอาวา่าจะว่าเกิดมาเพื่อทีอ่ทาคุ้งามคมดีดี มันศีลโง่จักวันพระโง่จักผู้เจ้าสองคนแล้ว เ, เ, เป็นคนไหมตีทําไมไม่เชื่อผู้เจ้าหาศีหาธรรมหกปีนะผู้เจ้าไม่ใจหาวันหนึ่งสองวันนะยังไม่ จ, จะะัดสรุปจัดสรูปแล้วว่า<ะ><ะ>เราแต่ะคนจะจัดสรุปแล้วยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ไม่อยากเผยแผ่พระศาสนาแต่คิดไปจิตมาคิดไปคิดมาเลย มาคิดประมาว่าอะไรเราได้เคยได้ยนินออวัดศรีเหลาพวกอยู่ลึกๆพวกเตา่าพวกปลาพวกอะไรไปกินหมดก็เทียบก่าจะได้น โ, นโลกนี่แหละเลี้คุกคีแต่ล้ำรวยสวยงามไปจุดนว่นไม่สนใจพวกที่เหลือขึ้นมาอีกพวกเข้าวัดจําศีลอยู่บ่อยๆมันถิ่มมันพระไม่ทิ้งแต่ว่าพวกนี้คอยอะไรล่ะคอยแสยงสว่างคือแสงธรรมจากพระเจ้าอยู่เมื่อเวลาได้รับแสงธรรมจากพระเจ้าแล้วก็วมีดวงใจเห็นธรรม จึงไกลับใจมาวางพระไตรปิฎกเขียนพระไตรปิฎกเอาไว้นะแล้วพระเจ้าเดสอนว่าเราตถาคตไม่ได้เอาพระธรรมวินัยไปด้วยเราตถาคตอยู่ในใจของพวกเธอพวกตันทุกทูปพระธรรมวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายเวลาพิพิธเจ้าจะเข้าปรินิพพานอประชุมพระสุสุสงฆ์สมเนนทั้งหมดมารวมกันองค์เทวะพยังไม่ได้ตัดรูดเสียใจว่า ยังไม่ได้เห็นจิตเห็นธรรมยังไม่ถึงสําเร็จเป็นพระละหันแล้วพระเจ้าจะปฏิญญาผ่านนี้จากหรืเสียใจพระเจ้าเลยแสดงธรรมสุดท้ายนะพระธรรมยิ่งในเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายที่อยู่ได้เพราะพระธรรมยิ่งในนะพระเจ้าสอนไงทําตามคำสอนของพระเจ้าได้เห็นได้รู้แล้วก็มาสอนจันโยมต่อไปเจิพระส่วนมากก็ไปท่องเอาเฉยๆไปสวดได้ทําตีทำเท่าทำเอกยกสประโยกสี่ไปยกห้าเวลาสอนโยมจะทูตจุดเทียนคนก็หลงไปที่จิต แล้ทำบาปไม่เห็นจุดทูบจุดเทียนหรอกเงยป้นเขามารู้สิจุดทูบจุดเทียนตรวจหน้าหมดสระนมก็ได้บาปเหมือนเดิมตรวจที่ใจในใจมีแสงสว่างไม่ได้มีตาไม่ใช่ทูบเกียนดวงอาทิตย์เกิดกอีกพันดวงก็สองไม่เห็นสวรรค์นิพพานต้องสองเห็นนิพพานด้วยปัญญาสมาธิปัญญาทําสมาธิก็คือดูลมหายใจเข้าออก นี่เครื่องผูกใจให้นิ่งมังคับให้ดูให้ดูวันหนึ่งอย่างน้อยจี่สุดหนึ่งนาทีหลวงปู่ครับพอดีผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เมื่อสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เรื่อง <c oughs> เรื่องเด็กนักเรียนเนี่ยเขียนอุนต้าแมนอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่ทราบว่ามีความคิดยังไงครับหลวง <c oughs> อะไรนะที่ที่ที่ในหนังสือพิมพ์เขาลงว่าไ ม, มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขา เขาเขียนอุลตร้าแมนเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยไม่ทราบว่าอปุเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเราได้ยินอยู่บ้างาจริงๆแล้วมันมันผิดผิดไหมครับไม่ผิดอะไรก็าเลึกถึ ง, ถงมันเป็นไปได้ผู้เคยมีจิตเนื้อใสร้างกุ่มงานกลุ่มดีมาเยอะเรายังไม่เห็นอะไรพอเกิดมาพับบุญกุศลที่สร้างไว้ก็ยังอยู่ครับเพราะเมืองไทยเห็นบอกมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าจริงๆเรายึดถือคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไห ม, มให้ทำํำแต่ความดีถือศีล ให้ครบข้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่บางคนก็เอาเอ า, เอาวัตถุมาเป็นเป็นเครื่องอือาคาดเชื่อมัน่นเราจังใจนี่ก็เป็นเครื่องเตือนเฉยเครื่องเตือนว่ามิคุมาอาจารย์อย่ะทำบาปจะพ่น จ, กก จ, ะจะกี้จะฆ่าจะตีจะหลอบรวมเขานะพอเกิดความละอายขึ้นมาไม่มีเครื่องเตือนก็เลยจะป่นก็ป่นจะฆ่าก็ฆ่า คำสอนเจ้าว่าทำดีทำดีแต่เขาไม่ป้นทำไมละ่ะในเรือนจำเต็มไปหมดทำดีไม่มีเหตุผล <laughs> ทำดีต้องมีเหตุผลนี่ของผู้เจ้ามมไม่ได้ขายก็แต่จะโุกโรงแรจะไปช่วยห ล, ง <c oughs> ลวงปู่ไปนี่สร้างโรงาบัน ก็จะเสร็จแล้วแล้แลกวก็การสิ้นพะ้นนะลูกหลานเยอะยว่าโยมนะลูกหลานเยอะกวโยมเรื่องจะถึงไรเลยด้วยถ้าลงตูป่ป่ว้ม เ, ม, เ, ม, เ ม, ม่เหลยโยมจึมาเขี้ยวเขียนในฝากไว้ฝากไว้คอมมูนิเสียไว้ไม่ฝากไว้มีแต่คนมาขอหลวงปู่หมดเดี๋ยวลงบันนั่นเดี๋ยวลงบันนี่ไม่ใช่ะจะหัดเราก็ขอนะคะ ว่าอย่างที่จะทำจังหวัดเราจังหวัดร้อยเอูไปหมดว่าโยไม่ทมนีดีไว้ไม่ไหวอยากให้ท่านทไว้บ้างลูีนปูาน่า มาดูหลายๆทีค่ะนี่มาบ่อยเะกไรด้วยกัอะไรวาได้แม่แม่อยู่สะแก้วนะคะอ๋อสะแก้วดิ ลูกหลานก็ไปคู<า>ปโบต้าอยู่นั่นเปิดคูโบตา<อ>้าอยู่สักแก้วเดี๋ยวนี้จเจริญมากเลยนะคะคเคยไปข้างอยู่ั่งเจ้าเคยไปข้ามดูวางข้างนี้ ยกถินน้อยข้านนบากกินคับเมืองไทยแล้วหรอกับเมืองไทยไปทกินเหมือค่ะกับเมืองไทยจันทร์จะไปทอดกรถิ่นที่เชียงรายภาพกรินที่เชียงรายจังหวัดอะไรอําเภออะไรพะยาเมืงลายพะยาเมืองลายในจังหวัดเลยเชียงรายเชียงรายจังหวัดเชียงรายพาเชียงรายพางรายจไปลุงปู่ก็มีวัดอยู่ที่นูนอําเภอแม่จันทร์อพุทธบาท้าเรือ ใกล้ๆแต่ทางไปทางแสนมันเรื่อถนนทางไปใกล้วัดแล้วโอ้ยง่ายดีใจวันนี้ได้มาเจอหลวงปู่ว้าวยากนะไปเมืองไทยก็หาไม่ได้มเจอยังเหมาะเป็นโอกาสนะเป็นบุญเป็นวาสนานี่ยไปบินตบัดลอนดอน วันนี้นะเอาหลวงปู่หรอคะเพิ่งกลับมาหรอคะเพิ่งกลับมานมาแล้วก็มาฉันแก็เพิ่งประุขามาดูจะทูวะกันไหนอาทิตย์ไหนว่างวันอาทิตย์ว่างไมครับไม่ทราบไม่ต้องาเช้าก็ได้หรอกบ่ายประก็ได้ใช่อบนายอมนต์ไปร้านหรอครับหลวงปู่ไปด้วยหลวงปู่ยังไม่กลับใช่ไหมคะที่13ครับผา ได้เยู่เพระออกแต่เช้าเนาะตอนเย็นเราไปได้คุณเขียนายเอีเขียนที่อยู่ให้ได้ครับกระดาษสับกระดาษคุาใส่ลายให้ได้ครับส่งมาทางไลนให้ครับอยากให้ออกกรได้โดมลูกหลานค่ะ รักษาแนวทางของปู่เต๋อเจ้าเอาไว้ <คะ S 2> ไปนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันแหะบางทีเขาจะไปเ ส, สเหล่าเสด็าจายตอนรับกรุงเทพจะมาถวายกรถินเดี๋วว่ายได้หรือฮะค่านี่ยอมเป็นอย่างนี้ทางบ้านเราเ <คะ S 2> ยี่ยงยู่จากว่ามาจากเมืองนอกก่อยิ่งจะเอาบริเวณทีหอบหมอนในอีกเดี๋ <c oughs> ยาไปเอาเนอะของในจะนำออกของนอกจะนำเข้า <c oughs> ของเขวาวาดมัจะเอาออกไปเขาเชื่อสายก็ได้หลบมนันเพราะอะไรละ่ะไม่ใช่ว่าเขามาลักแขกแต่เขาคิดมาลำแขก เ, ขเป็นไรแต่โดยมากเขาก็จะไม่ถวายพระซึ่งในพระก็ไปเอาของสงฆ์มาถวายญาติโยมมาให้ญาติโยมโดยไม่รู้เท่าก็เป็นบาปเหมือนกัน พระโบราณว่าไงของในจะนําออกของนอกจะนําเข้าของเข้าวัดเราจะออกไปกินอยู่ไม่ว่านี่คนที่กินจะนำออกเอาไหมเด้อเหลือเศษหลงปูแล้วเอาไปบ้านได้โอซ่ <c oughs> าชูแตชูแตชู <c oughs> นี่ถ้าผ่านหนึ่งนี่นะเราจะเอามาแลกกับขโมยออกไปก็ <c oughs> ไม่ได้อีกถ้าพระอนุญาตให้แล้วของของตนสงเรกผ่ า, ผานสงไปแล้ว ขงงูแแ็รย่านเขาได้เราตรับคนเมืองนอกนะของเราเคยเ<ะ>ป็นยอมแต่เมื่อก่อนนะจังหวัดนั่นจังหวัดนี่โดยเฉพาะกรุงเทพจะมาถวายกฐินเตรียมมาหอมรศบครบงานได้ระบบานได้ระวันใช้เราทุกให้ กับที่นี่สบายนะมาเก็มก อ, อ, องยาง อ, อ้อมควันแอรควันแในวัดเมื่อหนึนน่งถือกวันเราเมื่อหนึ่งควันดูปู่ บ, บวชกี่พรรษาและะ้วคะโอเคปีเกิดไป6กสิบตัยังไม่ <laughs> มมถึงเลย <laughs> ยัง น, น <laughs> ูบแล้วเหรอคะ โ, โอ้ปี60สพรรษาโอเคปีเสื้อกวันนี้ภาษาชาบ้านละแต่เทพเดาด็แข็งแรงมากเลยเขาแห เดี๋ยวม่ก้อนเท่าแล้วนี่บ้านห้องอ น, นี่พะไปได้กไ็ไปออก <c oughs> คนในอยาออกคนนอกอยาเข้าจะพยายามไหมเน้นนะักลูกหลานเียดที่แรกบางคนก็บพราะขอาใจหอกบางคนก็เฉียดในเชียดก็ตามหรอกเมืจ้างให้หลวงปู่สอนออก็จะหรอกเห็ดหลวงปู่้าเห็น้าพระพุทธเจ้าต่เห็นคือพุทธเจ้าเราก็ออมาบอกน้อมก็ท่านจิหาไปยังพระพุทธเจ้าท่านพรุทธเจ้าพเาพราพเมตตาสัตว์โลก ผลประชงสาวกมาเปิดเผยแร่ประเทศไทยเขาติพอดด้วยนั่นคือกันแล้วกหลวงปู่ว่ดมายู่กับกฤติีิธิพระฆาเห็ดไปทัวบางองค์พระประธานมหาขายใส่ว้กับมี่เก็บเมื่อประ่านเหมือนด้วยกับมี่าอกอย่างไเอนี่ลูกของหหมูรู้รู้ใบนะรู้ใช่ว่าบาแบกหามถ้าเราสอนง่ายแต่คนมากงาี่ วิธีกาสร้างศาสนาพึ่นโอ้ยฝนแดฝนแอนแฉทุกแฉเทียนเด้นเอากอบทีนกัได้เขาติดใจอลาบยังไม่แกะกันต้่จังไรก็าติกินลาบหิือเป็นบไม่เป็นเลยกินไม่เป็นเบก็เป็นประธานเป็นประธานแต่ว่า ก็ไม่ไม่ให้เป็นคนเดียวก็ไปหาประานร่วมมาแต่าคีท่านสมมติที่ั่นก็พอดีน้องที่ร้านนะคะเขาเขาเขามาขอให้ช่วยและที่นี้ก็ทำมาสองปีแล้วปีนี้ก็มาขออีกก็เป็นวัดที่เราคิดว่าเราเลิกไปสร้างก็เลยต่อเนื่องไปเป็นวัดวัดก็จะดีกว่าแล้วปีหน้าก็เรื่อ ที่เมืองไทยนะคะที่วัดบางพุนะคะที่อังกฤษเลยได้ไหมคะที่อังกฤษก็ได้ค่ะมได้้กันอะพยายามพยายามทาแล้วหรอถ้ารู้ใครทางนุ่นพยายามบอกทาง้าภาพจัดเตรียมอะไรใหญ่โตทาน้ำโภชนาหารเมืองไทยนี่มันไปเททิ่งมากกว่ากิน องลองรู้เถอะรู้สำหรับต้อนรับแชท<อ>ที่มาตะไก่มันูจะกี่ถ้วยกี่จานอ่ <laughs> อะเวลาทานนิดๆหน่นนอยๆ<อ>ทำไงตือเททิ่ททง<อ><อ>เพราะคนเหนือหรือคนอีาสานนี่<อ>เขาชอบว่าสำหรับคนไปวางแล้วเขาว่าเป็นเด่นไปทำนองนั้นเพราะฉะนั้นของภาคกลางจังดีนะคนหิวเท่าไรไปตักเอาตักเอาแค่นั้น<อ>ถ้าเสร็จสำหรับมาแล้ว จะทำยังไงดีนิเขาถุงดำน่าสงสารไหมของในหลวงนะหลวงพ่อจึงให้ละมัดละมังจึงว่าคนงานต่างๆไปงานทำบุญงานทาบุญลงทานทำบุญลงทานทำบุญหลวงพ่อลงทานทำบาปลงาบาข้าวมาอย่างเงี้ยือแล้วเขาก็มาอยากกินจก็ถัเอาเองดยครับดอเ้เฉพาะอยยิ่งพวกมักง่าย ศาลนะบ้านเองงานวัดนพี่ร่มทมพูเยอะแยะห้องประต้องหนังเขา้าเ้องประต้องเศษทหารเด้อวันนี้ลงทานตัวัดเยอะกระถุงไปใส่เอาใส่เอาอดีไม่ดีแฉกยังไม่ได้ทานมัดแล้วหลวพอ่อเช่นอะไว่าทำไมทุกวันนี้คนที่โลภมันเป็นหลวงท่านทำบาปเดออ้อยรัสนมยังไม่ถึงพระมันเปบอกเร่ออะไร ฮะหอมไปทำครัวสวายพระทำอาหารสวายพระสวายพระกินไปห่จินกันหมดเดี่ยวจังไม่ถึงพระตรงหั้นทำบาปไหมล่ะถ้าทุกคนเพิ่งพาอาศัยเพิ่ศาสนาหิวอะไรจากอะไรกินไปจากบา้านอิ่มอิ่ ม, มวไปยุ่งยากวัดทำไ ม, มวัดาจได้ไปสาบไปไหว้วัดบรรดาสวนหมนไดไลยพระวัดใจนั่งดูลมหายใจเข้าออก นีต่ตัวใหญ่ๆบักาเอกคนบักขาเอกเขาจะใส่มาเขาให้คนตั้งผิดสิใหญ่ๆจะได้ใส่สบายตัวชั้นสบายตัวบพอใส่แต่คนจมูกหักต้อเป็นสั่งละดีใส่สบายแล้วจะได้รักษาใจเราไม่ใส่เอาเสื้อใส่เอาขาถานะใส่ใส่เอาขาถาเพื่อเตือนใจของเราเพื่อไม่ให้เราลืมใจ อ่านใจไม่ได้ซื้อตัวเล็กเนี่ยทำงานอะไรอยู่น้ำใจเลยละอยู่นมาค่ะเ่นเป็นดอเป็นอาจารย์ในี่เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะเขาเป็นเรียนเดวเป็นอาจารย์ใหญ่กเขพูดศาสนาสอนพูดศาสนาให้เด็กรู้บ้าาจหลวงปู่ใหญ่ประจาบ้านราจนรหลวงปู่จึงเริ่มปีนี้ส่งทอดลูกหลานให ถือสินถือทำมันจะเข้าทำนองทำไมต่อไปจะเป็นหัวดำไปก่อนหัวดอนตามหลังเข้ากจไหมหัวดก่อนหันุ่มหัวดอนกุญแหัวดอนตามหลังกุญนนําถินนุนพระพวกน้ำกุญแจที่เล็กน้อยเขาถือสิแปมันสินพระเขาก็ต้องมารับกลบไก่ดิมันก็เลยถูกทำนองหัวดำไปก่อนหัวดอนําหลังแหละเือผู้เฒ่ากุญแจเป็่งว่ารับสินไหมนี่ผมยุง ยู่สเสยๆนะก็ว่าสมดุลนี่มันโกหกตนเองหรือนั่นมายุ่งก็ว่ายุ่งคนน่ะคนนะชอบยุ่งหรอน ะ, ะไม่ยุ่งก็ว่ายุ่งเองอะคมีปัญหาเรื่องใดเข้าสมาธิไม่นิ่งตัวนี้นจะไปเตือนไ ม, ไ, ไม่นิ่งก็ต้องทําให้นิ่งดูลมตัดออกไปขอคิดอย่างเดียวหนึ่งนาทีอย่ามายุ่งมันจะดูลมนานเข้านานเข้าเวลาเก็บไข่ได้ป่วยเวลาอะไรมาจะเห็นจุดนุน คิดอะไรก็คิดไม่ออกเห็นไหมบางคนเกิดฝันไปมีผีมาอำอย่างนู้นอย่างนี้คิดหาใครช่วยก็ไม่ช่วยพอระลึกถึงลมหายใจก็ออกหรือว่าพุโทโธหายใจยพุโทโธพุโทพโธกับลมแต่ว่าพุโทโธจํายากกําหนดลมหาลมจำง่ายกว่าและก็รู้ว่าใจนิ่งหรือไม่นิ่งมันรู้ถ้าพุโทโธปากพุโทโธพุโทโธแต่ว่าใจไปไหนไม่รู้ต่ลมเนี่ยเผื่อไม่ได้นะนัะ่นเป็นเครื่องวัดสติของเรา ว่าอยู่ในลมหรือไม่อยู่ในลมวัดใจของเราถ้าใจอยู่ในลมเห็นลมก็แปลว่าเห็นใจลราเห็นสวรรค์เราสวรรค์ในอกนรกในใจไม่ได้ไปหอหาหรอกหอหาที่ใจนะพุทธชลราตอนนี้วงลูกหลานมากับ่าไหว้คุณพระพุทธธรรมผสมกงบก้องกบกษาตุเ้ารองลูกหลานตรงนี้แต่ความสุขความเจริญทุกอยุ่แก่หายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงดกาเงินทึ้งใดปัฒนาทงหนึ่งอะไรจงสาเร็จจงสาเร็จ ผมดงความม่งมนนาจงทุกสิ่งทุกประการเถิดาวสังฆัยปาราจะทำมิโนปจิตตวนิโรชันติเตตังอุปัสสมุสุโคยันจักรดกิารินาทั้งคำมรูปจิตตตีกาลังีตาจะสานโอุปกิโสจติธมโมจะยังลติโตเปย์นาผูชาตกตาอุลาามราคุณอนุูมินนให้คุณจังปุตังอนัปร่ะบุญให้ละเละ อืมเรียบไายเรียบยถ่าย่เป็เจพี่เจ้าพี่อากูว่าถ่าย พี่ส่งพี่ส่งให้ใช่ใช่้ช่ถุงใส่บ อืมอืมอันนีไรครั้งนี่ครั้งเดียวมาเตีนนี่ครั้งแรกคะ่ะนี่ก็ครั้งเดียวครั้งแรกคะ่ะแต่ ว, วันนี้มาที่เจอหลวงตาอีกหลายจาังหวะคุณหน่อยไปเห็นใส่เรืยๆมั้ยกลังลอะไรอะไรใส่หรือยังกาไรโอ้ใส่ย่แล้วคะ่ะได้กำไรเยอะๆมีคนจะสารไหม ไม่มีค่ะคนนั้นรายคุณ้องบเชียงรายเชียงรายไม่ได้มามานำโดงรไม่มาบอกให้คนนั้นแบบบอกให้เตือนทางนุ่นเขาน้าโภชนาอาหารให้พ่อยอนน่อยให้เนี่เยอะๆรั่วพระเจ้าแผ่นดินเยอะๆอืมเสียดายไปเททิ้งค่ะค่ะขอบคุณท่านตให้อาหารใจนี่อาหารใจปัจจัยปัจจัยนั่นอาหารใจ าากายแข้ดดงัวกก็สบายคเคลียเลเตือนแต่เด็กน่ะอยากได้ที่หนังตาเคี้ยวอยู่ใชลดกบากไหมมาเอามัน <c oughs> คือฉลาดแต่ผู้นี้ <c oughs> คนลุกเลยคนลุกทุกอารมณสโมทัมมันรับแคไหน มาลับไม่หน่อยฟันูะนุ่แบมือไว้ก็ได้เดี๋ยวตุนายนให้นูแ บ, นแบมือไว้เช็ด เ, เ อ, อด้อนนสาธุได่ได้เชื่อวันหนึ่งตลอดดีเห <c oughs> ็นคนขอทันห ม, กกมากันหมากแล้วก็มันนีประโยชน์หนึ่งรักษาฟันเราเลือกออกไม่จะเอาหวานหวานมันช่วยรักษาฟันให้เราได้บริหารกล้ามเนื้อฟัน อันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาอันนี้อย่างเดียวแล้วก็มีลายมือด้วยดุประทับลายมือให้ดิมีนจะขายแล้วมคงไทยสาธุาเดี๋ยวหนูจะไปเลี่ยม ถ้าเป็นประธาตมาเองก็ยุ่งยังล่ะทเดียวหนูซื้อไว้ให้แพทหนึ่งวันอาทิตย์เคี้ยวเลยก็แพเคี้ยวแล้วก็แปะแล้วผากเลยขนุนตาเป็นจมูกแค่หยาดไปอยู่ลมไปมาเ้าไปยังงี้เรไปทำเราไปทำเราเอาปอไปเตรียมเขาเป็นท่องคำไปหลอใส่มันเป็นประธาตขึ้นมา โตธนาเคแก่งกันดูไม่แบ่งใครเลยเนี่ยพระท่าเอาไวให้ดูนะไม่ใช่เป็นทุกคนนะแล้วแต่ใครจะมีความเชื่อเรื่อสน้อยมากเพียงแบ้านมีพระท่าแต่เป็นของคุณลุงทองดีอะค่ะตาจ้มหมากฝรั่งอีกทักอันเยียมไว้ที่บ้านเยอะกันเยียมไว้เยอะๆเยอะ่ยมไว้เยอะๆลูกโอเคแล้วขอานหน่อย แ้วเราเตรียมอะไรไอ่ะเดี๋ยวเราติดต่อพี่ใช่จะพิจาาคุณป้าอก็ดูไปจะไปดูจะไปดจะไปดูจะไปดูไปดูพระชาติจากนี้แน่ใจอีกยาก็เดี๋้ม่นก็ไม่มีอไม่งกไม่ต้องทา เด้ารวยตะพูนีหรอฮะเห็นป้นี่เลยรวยตะพูนีอย่างนี้โอ้เถกแกเนียคนหลวงพ่อนี่ไม่ออกคนนี้เถกแกนี่ไม่ออกเถกแกโอ้เถกแกเนียโยนผ้าเหรอคะ หลล้อเีอะไรนโยนถังโยนถังมแล้วโหนนั่า้สวัสดีค่ะเดินรอบเป็นปีจักรอบก็ได้ครับด้านตะทีนจะได้ถ้กระทีนในบอดนั่นเป็นบอดได้นะ ห้องของังลูกนิเมื่อหรละที่จริงไม่มุงก็ได้แต่เขามีมาให้หอ้องก็แอะไรอางงไปดูทำเองหมด